ชายหนุ่มคนหนึง่งได้กางเกงตัวใหม่จากพี่สาวพี่สาวซื้อมาให้ทีแรกชายหนุ่มก็ดีใจนะแต่พอสวมไปแล้วปรากว่ารู้สึกว่ามันหลวมบอกพี่สาวว่ามันหลวมนะพี่สาวบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก่อนจะซื้อก็วัดรอบเอวของน้องชายไปก่อนแล้วแล้วก็ซื้อกางเกงตัวนั้นเนี่ยก็พอดีนะ กับรอบเอวของน้องชายเลยมันจะหลวมได้ยังไงน้องชายบอกมันหลวมอะพี่สาวก็ยืนยาวมันไม่ไม่หลวมไม่พอ ด, ดีเทียงไปเทียงมากันนะสองคนเนี่ยอยู่พักหนึ่งแม่มาได้ยินเข้าก็เลยบอกว่าลูกชายว่าเนี่ยเอาเอาเกงมาแม่รักเอาเกงไปก็หายไปสองสามชั่วโมงกลับมาก็ยืน่นกางเกงให้ลูกชายแล้วบอกลองสวมดู อันนี้ลูกชายสวมแล้วบอเออมันพอดีแลกดีใจนะที่จริงแม่ไม่ได้ทําอะไรนะแม่เอาอเกงของลูกชายไปก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ลูกชายเนี่ยคิดว่าแม่เนี่ยเอาอเกงนะไปปรับไปแก้พอมาสวมอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันพอดีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เท่านี้แหละ แต่ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นหลวมแต่ตอนนี้บอกว่าพอดีแล้วทั้งที่กาง เ, เกงตัวเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ทําไมชายหนุ่มเนี่ยเข้าใจว่ากางเกงเนี่ยมันพอดีก็เพราคิดว่าแม่เนี่ยกางเกงไปปรับไปแก้พอคิดว่าแม่ปรับกางเกงเสร็จแล้วก็เลย รู้สึกว่ามันพอดีแฮะฮอันนี้คล้ายๆกับผู้ชายคนหนึ่งนะไปไปกินอาหารที่สวนอาหารแห่งหนึ่งมันก็เป็นพัตาคาเนอะนะเป็นห้องอาหารเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะลูกค้าที่มากินอาหารนี้ก็หลายสิบคนติดแอร์ด้วย ลูกค้ามานั่งสภาพกก็บอกพนักงานเสิร์ฟว่าช่วยปรับแอร์ให้เย็นเหมื น, นี้หน่อยร้อนพนักงานเสิร์ฟก็บอกครับครับครับแล้วก็หายไปพักใหญ่เลยกลับมาก็ถามว่าเป็นไงครับเย็นขึ้นเลยยังครับลูกค้าบอกเออเย็นขึ้นละดีละ จริงๆพนัก ง, งานเสิร์ฟเนี่ยหายไปนี่ไม่ได้ไปทำอะไรนะเพราะว่าพัตาคารหรือสวนอาหารแห่งนี้เนี่ยเขามีระเบียบ ว, ว่าห้ามพนัก ง, งานเสิร์ฟไปปรับแก้ไปปรับเครื่องปรับอากาศให้เป็นหน้าที่ของช่างไฟโดยเฉพาะเลยไม่ให้บาใครจะไปปรับได้เพราะถ้ให้พนัก ง, งานเสิร์ฟนี่ไปปรับนี่มันก็วุ่นวายเพราะว่า พนักงานเสิร์ฟมีหลายคนลูกค้าก็มีหลายชนิดหลายประเภทจะปรับตามใจของลูกค้าคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้แต่พนัการเสิร์ฟก็รู้ว่าจะพูดกับลูกค้าคนนี้ว่าไปปรับเครื่องแอร์นี่ไม่ได้นะครับเขาก็รู้ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ อ, อย่างนึงลูกค้าคนนี้ก็เป็นขาประจาลูกค้าต้องการอะไรก็ต้องสนองเดีย๋ยวน้อยก็ครับครับไว้ก่อนก็เลยหายไป ท, ทําทีเหมือนว่าไปปรับอร์แต่ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยพอกลับมาถามลูกค้าว่าเป็นยังไงลูกค้าก็กลับรู้สึกว่าอากาศมันเยนนะ พอดีแล้วพอใจที่จริงอากาศมก็เท่าเดินมนะแต่ทำไมลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องนี่มันเย็นขึ้นสบายก็เพราะคิดว่ารู้เพคิดว่าพนัก ง, งานเสิร์ฟเนี่ยไปปรับไปปรับแอร์พอคิดอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออแอร์นี่มัน มันเย็นขึ้นอันนี้ก็เป็นนะเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะพบได้นะในชีวิตประจําวันบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจของเรามากเลยนะ อย่างชาคนนั้นเนี่ยถ้าคิดว่ากางเกงได้ปรับแก้แล้วพอเขาสวมก็จะรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นทั้งที่มันก็เหมือนเดิมแล้วลูกค้าพักคาเนี่ยพอเข้าใจว่าหรือคิดว่าแอมมีการปรับก็รู้สึกมันเย็นขึ้นทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับความคิด นะของคนเราสิ่งที่ตาเห็นหรือว่าเสียงที่ได้ยินหรือแม้กระทั่งการสัมผัสรับรูบร้ทางกายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจหรือความคิดของคนเราไม่ใช่น้อยเลยนะเรื่องนี้ก็มีเกล็ดนะถอยหลังไปเมื่อประมาณสักสี่รอยห้ารอยปีเนี่ย มีปฏิมากรคนสำคัญนะในอิตาลีในชื่อไมเคิลแอนเจโลแล้วก็มีชื่อเสียงเด่นดังเนี่ยาจากภาพแกะสลักซึ่งมีหลายชิ้นมากนะแต่ว่าชิ้นที่ทำให้เขาเด่นดังโด่งดังเนี่ยตั้งแต่อายุยังหนุ่มเลยเนี่ยก็คือรูปปั้นดาวิด มันเป็นภาพมันเป็นรูปแกะสลักนะจากชินอ่อนเนี่ยเป็นรูปแกะสลักที่ใหญ่มากนะสูงต้องห้าเมตรแล้วก็สลักได้งดงามกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของดาวิดเนี่ย มันเหมือนจริงมากเลยแล้วมีรายละเอียดมากทั้งเหมือนจริงแล้วก็ตรงตามอุดมคติของคนในยุคนั้นมันก็มีเรื่องมันก็มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยตอนที่มาเคลอนเจอโล่เนี่ยแก่สลักใกล้จะเสร็จแล้วก็มีผู้ประถามของเมืองเนี่ยเมืองฟอร์เรนซ์เนี่ยมาชม มีหลายคนมาชมอ่ะนะแต่ว่าคนที่มาชมนะที่สำคัญคนหนึ่งเนี่ยในชื่อโซเดรินี่เนี่ยเป็นผู้บริหารของของเมืองไอ ง, งานนี้เนี่ยของดาวิดของมาเคิร์นเจโรนเนี่ยเมืองฟอร์เรนส์นี่เขาว่าจ้างนะเพราะนั้นผู้บริหารของเมืองนี่ก็มีสิทธิ์มีเสียงมากและนายสุดดรนนี่นี่ก็รวยด้วย เป็นผู้ประทัาศิลปินที่มีชื่อในเมืองฟลอเรนซ์มากเดี๋ยวก็มาชมรูปปั้นแกสลักดาวิดนี้และเพื่อต้องการแสดงว่าแกมีรสนิยมทางด้านศิละปะนะก็อดไม่ได้ที่จะต้องไม่ใช่แค่ชมนะมีการติหรือมีการแนะนำนะเพื่อแสดง ความเก่งนะก็วิจารณ์ว่าเนี่ยจมูกของดาวิดเนี่ยมันใหญ่ไปหน่อยนะควรจะทำให้เล็กลงสักหน่อยเหมือนเครื่องจะโล่เนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากแล้วเขาก็เชื่อว่าเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันสวยแล้วมันพอดีแล้วแต่เขาไม่กล้าแยง้งไม่กล้าขานเพราะ ตอนนั้นเขาก็ยังหนุ่มนะอายุแค่ยี่สบหกนะไปแยง้งไปค้านโซเดรนีซึ่งเป็นอุปธรรมผู้เป็นผู้ทำรายใหญ่เนี่ยเขาคงไม่ฟังนะและตอนนั้นเนี่ยโซเดรนีเนี่ยก็เห็นว่าแม่เพืนอนจูโรนี่ก็ไม่ได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเพราะนั้นเนี่ยก็เลยนะแนะนำหลายอย่างโดยเพพาะเรื่องจมูก เมื่อเครื่อจะโลกเนี่ยรู้ว่าคานแบบไี่มีประโยชน์ในเมื่อสูดเดอรีนี่บอกว่าจมูกควรจะเล็กลงกับ น, นี้เขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ไปหยิบคอนมามือขวาหยิบคอนมือซ้ายก็หยิบสิวแต่ก่อนที่จะหยิบสิวนะก็คว้าเศษกระเบื้องไอเศษอ่อน แล้วก็พงหินอ่อนนะก่อนที่จะหยิบสวิวก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็ถือสิวนะมือซ้ายแต่ว่าปลายสิวเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกับผิวของดาวิดเลยนะ แล้วเขาก็ทำทีเนี่ยนะฟาดนะใช้ค้อนเนี่ยทุบสิวทำทีเอาค้อนเนี่ยทุบสิวเหมือนกับแกะสลักปรับจมูกของดาวิดแต่สิวเนี่ยมันไม่โดนเนื้อหินอ่อนเลยนะเพราะมือเขากลรเอาไว้แต่ระหว่างที่เอาค้อนเนี่ยทุบสิวเนี่ยเาก็ปล่อย กระเบื้องที่ถือไว้ในมือเนี่ยปล่อยออกมาจิรนิชจิรนิดจิรนินเหมือนกับว่ามีการแกะสลักอยู่เสร็จแล้วเขาก็ลงมาจากบันไดโซเดรนี่มองดูเออตอนนี้จมูกสวยแล้วจริงสมุทเนี่ยไม่ได้มีการปรับแก้เลยเลยนะแต่ว่าโซเดรนีคิดว่ามีการ ปรับแก้แล้วก็เลยเห็นว่าจมูกสวยแล้วก็เป็นอันว่างานนี้ผ่านนะโดยที่ไม่ได้มีการปรับแก้เลยเลยพอใจทั้งสองฝ่ายสดุดเดรเรนี่ก็พอใจเออจมูกได้รับการปรับแก้ตามคำวิจยัยของเขาส่วนไมเคิลโจโล ก, ก็พอใจนะที่ผลงานก็ยังเหมือนเดิมเพราะมันสวยอยู่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกับสองกรณีแรกน ะ, นะโซเดเรนีเนี่ยคิดว่าจมูกเนี่ยได้รับการสากัดให้มันเล็กลงแล้วพอมาดูใหม่ก็รู้สึกเออมันดีขึ้นมันพอดีแล้วแต่ที่จริงมันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเหมือนเดิมคือความคิดของเขาเราก็คิดว่ามันมีการปรับแก้จมูก ก็เลยเห็นมันสวยขึ้นนี่มันเชืเ่อเลยนะว่าสิ่งที่คนเราเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเรามากเลยรอมันอยู่ที่ความคิดของเราเราคิดอย่างไรสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารับรู้มันก็เป็นอย่างนั้น ไม่ว่าจะรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกหรือว่าทางกายการรับรู้โลกภายนอกมันอยู่ที่ใจเรามากเลยใจในที่นี้ก็หมายถึงทั้งความคิดและอารมณ์ด้วยใจเป็นอย่างไรโลกก็เป็นอย่างนั้นนี่ยพูดพูดอย่างนี้ก็ได้ครูเจ้าจึางตัสว่าเนี่ย ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจไม่มีนักวิทยาคนหนึ่งนะชื่อม็กซ์พลังเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับไอสไตล์ le, เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีหรือว่าเึกวทฤษฎีก็ได้นะควอนตัมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนมาก ยากเขาเคยพูดไว้ประโยคหนึ่งนะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราเปลี่ยนวิธีมองสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามมุมมองของเราคนที่พูดนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดว่าเขาเห็นโลก ที่เป็นวัตถุวิสัยออบเจกตีฟเป็นอิสระจากมุมมองของคนมองแต่มากสพลังเนี่ยนะเขาบอกไม่ใช่เลยเรามองอย่างไรก็เห็นมันอย่างนั้นแหละที่ยขาพูดงี้เพราะว่าเนี่ยพอเขาศึกษาอนุภาคศึกษาเรื่องของแสงเรื่องของอิเล็กตรอน เพราะพรว่าคุณลักษณะของแสงหรืออิเล็กตรอนเนี่ยมันอยู่ที่บุมมองของเราด้วยอย่างแสงเนี่ยเราก็นึกว่ามันเป็นคลื่นแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นอนุภาคมันก็เป็นมันก็แสดงคุณสมบัติของอนุภาคเช่นพอกระทบกับโซลา่าเซลล์ก็ทำให้เกิด กระทบกับซิลิคอนก็ทําให้เกิดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เกิดจากคุณสมบัติของแสงที่เป็นอนุภาคแสงไม่ใช่เป็นแค่คลื่นอย่างเดียวเป็นอนุภาคด้วยส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งเรามองคนก็จะมองเป็นอนุภาคเนี่ยถ้ามองว่าเป็นคลื่นนะมันก็แสดงคุณสมบัติความเป็นคลื่นนะ ไอ้ครื่นกับอนุภาคนี่มันตรงข้างไปเลยนะแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันในมันอยู่ด้วยกันนะกับอนุภาคหรือว่าสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมมองว่ามันเป็นคลื่นมันก็เป็นคลื่นมองว่าเป็นอนุภาคมันก็เป็นอนุภาคนะเขาเลยสรุปอย่างเงี้ยนะว่าเนี่ย สิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีมองสิ่งนั้นก็พลอยเปลี่ยนไปด้วยอันนี้แหละก็เลยทำให้เกิดทฤษฎีนะควาตั้มทั้งหมดที่มันก็ชี้อเห็นนะว่าใจาคนเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยใจยนี่ก็รวมถึงความคิด ทัศนกติแล้วลุงอคติด้วยคนเราถ้าเราเกิดมีอคติกับใครสักคนเช่นมีอคติกับเพื่อนร่วมงานพอเราเห็นเขาคุยกันถึงจะเลยคือเขากำลังดินทาเราที่จริงเขาอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้ ถ้าเราไม่ชอบหน้าใครหรือเราเระแวงใครเวลาเขามองหน้าเราเราก็มองว่าเขากําลังหาเรื่องเราทั้งที่เขาไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นเลยคนแปลกหน้านะถ้าเราไม่ไว้ใจเขาเนี่ยเราก็จะมองว่าเขามีสีหน้าท่าทางไม่น่าไว้วางใจเลยท่าทางไม่เป็นมิตรแต่พอคนนั้นเขาพูดดีกับเรานะ่ เขาเอาขนมเอาของอร่อยๆมาให้เรากินนะเกิดความเป็นเมื่อขึ้นมาเราจะเห็นเขาอีกแบบนะเออเขาเป็นคนที่ดูนะมีความเป็นนิตรนะหน้าตาเขาก็ดูยิ้มยนันแจ่มใสดีจังที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเห็นเขาเป็นผู้ร้ายไปเลยก็ว่าได้หรือว่าหน้าตาบึง่งตึง คนที่รักใครชอบพอกันก็จะมนอีกคนหนึ่งเนี่ยว่าเป็นคนช่างพูดช่างคุยนะช่วยเจ้าแต่พออยู่กันไปนานๆไม่ชอบพอกันนะก็กลับมองเขาเป็นคนชอบพูดจาเพอ้อเจอนะเราเห็นใครเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราไม่ใช่น้อยเลย ถ้าเราชอบเขาอสิ่งที่เขาทำนี่ก็ดูดีไปหมดแต่ถ้าเราไม่ชอบเขาเมียคติเขาสิ่งที่เขาทาทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันเรากลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีะที่พูดคุยเจ๊ยเจ้าเนี่ยกลายเป็นพูดจากเพ้อเจอไปเลยทั้งที่พฤติกรรมก็เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือมุมมองของเรา อันนี้มัแสดงให้เห็นนะนะว่าใจของคนเราเนี่ยมันมีที่ผลต่อการรับรู้ของคนเรามากแม้กระทั่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องหยาบหยาบนะคือเรื่องของการรับรู้ทางตาทางหูทางการสัมผัสผู้ชายคนหนึ่งนะไปนอนพักที่รีสอร์ทก่อนนอนก็นะ ถอดแวนเพชรเอาไว้บนหัวนอนที่จริงก็ไม่ค่อยได้ถอดแล้ววันนั้นบังเอิญมีเหตุต้องถอดวอนรุ่ขึ้นตอนสายนึกได้ว่าถอดแวน่นเอาไว้ที่หัวนอนหลังจากกลับมาจากการกินข้าวก็มาดูหัวไม่เจอแล้ว นึก้มาได้ว่านี่ก่อนหน้าั้นมีพนักงานทาความสะอาดมาทำความสะอาดพอมาทำความสะอาดเสร็จก็หาแหวไม่เจอก็แปลว่าพนักงานคนนั้นเอาไปพอก็เดินตามหาพนักงานคนนั้นเนี่ยพอเห็นตัวก็สังเกตเลยนะว่า เขามพีพิรุษหลายอย่างทางการเดินก็มีพิรุษาการพูดการจา ก, ก็มีพิรุธน้ําเสียงก็แปลกไปสายตาก็ดูหลบหลบเลี่งเลี่ย ง, ยงไม่ค่อยจ้องมองเขาเท่าไหร่แต่อย่างนี้นี่แน่นอนเลยนะขโมยแน่นอนเแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยเรพบว่าแหวนนี่ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันตกอยู่หลังหัวนอน ก็แปลว่าพนักงานคนนั้นไม่ได้ขโมยไปพอรู้ว่าพนักงานคนนั้นไม่ได้ขโมยแหวนเข้าไปเพราะว่าภาพนะของพอนักงานคนนั้นในสายตาของมันเปลี่ยนไปเลยอากับกริยาก็เออก็ดูปกติการพูดการจาก็ไม่มีพิรุษน้ำเสียงก็ ปกติสายตาก็มองสบตาเขาไม่ได้มีอาการหลบสายตาเลยที่จริงพฤติาการของพนัก ง, งานคนนั้นเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าเช้าหรือบ่ายแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือความคิดความเข้าใจของชายคนนั้น อีแรกเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นขโมยก็เลยเห็นเขามีพิรุธทุกอย่างเลยแต่พอรู้ว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยเนี่ยก็เห็นเขามีกับดริยาพปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตระหนักนะว่าการรับรู้ของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของเรามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นอะไร ได้ยินอะไรเราก็จะไม่เชื่อง่ายๆนะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหรือสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเป็นความจริงเพราะว่ามันอาจจะถูกปรุงแต่งต่อเติมจากความคิดของเราถ้าเราชอบเขาเราก็เห็นเ้าในทางที่ดีถ้าเราไม่ชอบเขาเราแวงเขาเราก็เห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของเขา หรือว่าเห็นพฤติกรรมที่แปลกๆของเขาแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไปเชื่อสิ่งที่เห็นด้วยตาสิ่งที่รับรู้ทางหูแล้วก็ต้องเชื่อสัมผัสทางกายบางครั้งก็เลยทะเลาะ ก, กันเพราะเห็นเป็นคนละอย่างทั้งที่เห็นอย่างเดียวกันนะแต่ว่ามองเป็นคนละอย่าง ก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างก็เชื่อสิ่งที่เห็นสิ่งที่ตัวเองเห็นเชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินเชื่อสิ่งที่ตัวเองรับรู้มาอันนี้จะว่าไปก็มันก็โดนความคิดหรือจิตใจตัวเองหลอกก็ได้คนเราก็โดนความคิ ด, ดจิตใจหลอกแบบนี้เราตลอดนะแต่ไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนเราเนี่ยเริ่ม ตระหนักว่าเนี่ยให้สิ่งที่เรารับรู้มารอบตัวเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรามากเลยเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่เชื่อสิ่งที่เราเห็นรอเปอร์เซนะ์บางทีก็อาจจะมีการทักท้วงบ้างนะเมื้อเราจะทักท้วงเนี่ยการที่เราจะทะเลาะ ก, กันเพราะเห็นไม่เหมือนกันเพราะได้ยินไม่เหมือนกันมันก็จะนะ ลดน้อยลงแต่ทุกคนนี้เนี่ยผู้คนทะเลาะ ก, กันนะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกทะเลาะ ก, กันบางทีเห็นเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันเพราะว่าความคิดจิตใจมันต่างกันโดยเพราะถ้าเมี่อคติออกกตินี้นก็ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างไปจากความจริงได้เหมือนกัน ถ้าคนเราเท่าไหร่ว่าเราสังเกตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยเราจะพบว่าใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเ ด, ي, เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังถ้าเราสังเกตในะเวลาเราชอบเราก็เห็นอย่างหนึ่งแต่เวลาเราชังเราก็เห็นอีกอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นสิ่งเดียวกันถ้าเราไว้ใจเราก็เห็นอีกแบบหนึ่งถ้าเราเราแวงเราก็เห็นอีกแบบหนึ่งทั้งที่สิ่งที่เห็นก็ เหมือนเดิมแต่จริงๆถ้าพูดเท่านี้มันก็ยังไม่พอนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันในง่หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับใจของเราใจเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยเราเห็นอย่างไรมันก็ส่งผลต่อใจเราเหมือนกันนะมันไปสองทาง ใจล้วก็มีผลต่อสิ่งที่เราเห็นหรือมีผลต่อสิ่งที่เรารับรู้แต่ในด้านหนึ่งสิ่งที่เรารับรู้ก็มีผลต่อใจถ้าเราเรารับรู้แต่เรื่องแย่ๆนะใจเราก็หม่นมัวถ้าเราเห็นแต่เรื่องที่ดีๆใจเราก็ผ่องใสอย่างตอนเช้าเนี่ยนะถ้าเกิด ว, ว่าเราเลือกที่จะมองรับรู้ สิ่งดีๆเช่นท้องฟ้าที่โปรง่งดอกไม้ที่สวยงามใจเราก็พอยสดชื่นแต่ถ้าเรารับรู้แต่เรื่องแย่ๆทางโทรศัพท์มือถือคนทะเลาะเบกแวงกันด่าทอกันจิตใจเราก็หม่นหมองหรือถ้ารู้จักนะมองเห็นสิ่งดี ๆ, ๆที่มีรอบตัวขอบคุณขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณลมหายใจ ขอบุณผู้คนที่มีความเอื้อเฟื้อเราใจแล้วก็เบิกบานมีความสุขได้ง่ายแต่ถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่มันน่าตาหนิสิ่งที่มันเป็นลบจิตใจเราก็มองมัวได้แล้เราเลือกมองอะไรเนี่ยหรือรับรู้อะไรมันก็มีผลต่อใจของเราตื่นเช้าขึ้นมาถ้าหากว่าเอาใจมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าสวดมน จิตใจเราก็พอเป็นกุศลแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเปิดดูโทรศัพท์มือถือเปิดดูโซเชียลมีเดียนะหรือว่าเปิดดูเรื่องราวที่มันแย่ๆในทางการเมืองจิตใจก็ห่อเหี่ยวในการรับรู้มันก็มีผลต่อใจของเราเราก็ต้องรู้จักรับรู้หรือเลือกรับรู้นะ เพื่อให้สิ่งที่รับรู้เนี่ยที่เป็นดีสิ่งดีงามเนี่ยมันกล่อมกลใจเราให้ดีงามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอนะพอเราจิตใจเราปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานเนี่ยเลยมีความรู้ตัวแม้จะรับรู้สิ่งที่แย่แย่แม้จะได้ยินคนตาหนิใจเราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้นะ มันไม่ใช่ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไงใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นบางทีโลกภายนอกมันแย่นะหรือว่าเจอคำตำหนิคำต่อว่าแต่ถ้าใจเรามีสติมันก็ไม่ได้แปลว่าใจเราก็จะหมดหมองตามไปด้วยคนพูดไม่ดีกับเราแต่ใจเราไม่ไปไปเราใจเราไม่ไปใส่ใจด้วยหรือก็ มองเขาด้วยความเข้า อ, อกเข้าใจมันก็มีความโกรธความเกลียดนะอันนี้ก็อยู่ที่ใจเราว่าเราฝึกดีมาฝึกดีหรือเปล่าถ้าใจเราฝึกดีเนี่ยไม่ว่าสิ่งรอบตัวเราจะเป็นอย่างไรแม้จะเป็นลบแต่ใจเราก็เป็นกลางไดนะ้อันนี้ก็คืออยู่ที่การฝึกจิตฝึกใจของเรานะรู้เท่าทันสิ่งที่เรารับรู้เท่าทันสิ่งที่รับรู้ รับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางมันก็ทำให้ใจนี่เป็นอิสระจากสิ่งเล่าก็ได้อย่างที่เล่านะคนที่ฝึกปฏิบัติมานี่พอใจเพรามีสติมีความรู้สึกตัวจะเจอคนมาต่อว่ายังไงใจเาก็านิ่งได้ไม่ใช่ว่าจะต้องหุดหงุดหัวเสียเมื่อได้ยินคำต่อว่าอย่างเดียว ได้เป็นอิสระจากสิ่งแ่ดล้อมภายนอกก็ได้เหมือนกัน